อืมยังทํากันเนาะเราอยู่ด้วยกันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษก็บอกกันด้วยจีวิตของเราก็เหมือนกันบางอย่างเราก็ไม่รู้บางอย่างก็รู้ ที่รู้สองน้องรู้หนึ่งอะไรที่ไม่รู้ก็บอกกันด้วยอะไรที่รู้แล้วก็ให้บอกกันตลอดไปเรานี่ชีวิตของเราไม่ใช่เราคนเดียวเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากอย่างน้อยก็พ่อแม่ ที่เคยอุปกาละต่อเราได้ยี้มยัญญในนิจใจคิดถึงเวลาแม่พรอนข้าวพ่อพรอนข้าวทีบ่าข้อพ่ อ, อจำได้ แล้วนอนคิดกลัวขึ้นมาหลับไปสะดุ้งขึ้นมาก็เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่พอเรียกเท่าใดกังเข้ามากเกินพ่อจะตื่นแม่จะตื่นได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่ก็วุ่นใจก็หลับไปได้สบายเราได้หับความับาย อุนอกอุนจอยเพร่อพ่ อ, พอแม่คุ้มครองเราไม่มีอะไรที่จะมากเกินนี้ชีวิตเราหาสิ่งที่เปรียบเทียบกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แผ่นผ้าแผดินก็เปรียบไม่ได้เราจึงต้องไม่ดื้อด้านเราจะทําอย่างไรต้องถามความดีความดีคืออะไรก็ต้องประพฤตรริทำ หนีความชั่วไปสูความดีความชั่วมีเท่าไหร่พยายามหนีหมดความดีไม่เท่าไหร่พยายามทำมีอยู่ความดีความชั่วทำดีก็ดีทำชั่วก็่วเกิดขึ้นที่กาที่ใจที่การกระทำของเรานี่นอกจากพ่อแม่ก็มีสิ่งอื่นวัตถุอื่น เป่นดินเผล่ยนฟ้าอากาศแม่น้ำบาดไ ม, ามา้อาหารก่อกินมีเผ่ยนดินเดินไปเดินมาที่มีเราต้องเอาสอดสีต่อนี้ทั้งสิ้นอุปกรณ์อื่นมีสังคมที่หล่เกี่ยวข้องมากมาย ก, การกระทําของเราบางทีก็ผิดพลาด ทำให้คนอื่นร้อนเป็นตุปเป็นโทษบางทีก็ทำให้เกิดประโยชน์บ้างเพ่งเราไม่ควรดื้อด้านรับกรรมักใช้กรรมโดยให้รู้ชึกว่าเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาทำความดีไม่ดื้อด้าน ไม่เอากายเอาใจไปทำความชั่วจะเอากายเอาใจนี้ทำความดีจะไม่ดื้อตรงนี้ความดีก็ทำได้มีสติรู้จักตัวได้แก้ไาขาสิ่งที่เหมือนผิดที่เกิดขึ้นเกืบกวากับใจเราเราเห็นอยู่สิ่งที่ไม่ไมดีเกิดจากความคิดเกิดจาก กายเกิดจากกายาจมันมีทวารมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายาจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสำมะเกิดผิดพลาดตรงนี้วิธีที่จะดูเลยตรงนี้ก็มีสตินี่แหละไปแค่เรื่องแนวเรื่องเล่าที่เหมือนเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีสติ มีสติไปในกายอยู่เป็นประจําจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับว่ากัายมีสติเปนในความชจ็ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจะได้เห็นจะได้รู้จะได้เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องม่อยไม่เหมือนกำเหลือเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อแต่ความคิดที่มันเกิดขึ้นมากระดาษที่เรามีสติเห็นความคิด ไม่มีอะไรเห็นความคิดนอกจากจิตตาก็ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครบอกเราได้ถ้าเราคิดอะไรต่เมื่อเราได้ทำลงไปเห็นโกรธแสดงว่าเขาโกรธเกิดจิตที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่โกรธก็ได้เพื่อนเลย อดทนอดนทนซะหน่อยเอามือลูกหน้า อ, อกเอท้อ อ, ก อ, อ, ก อ, อกน้ามาพวกหน้าอกไว้ลูกหน้าลูปตาเชิญพ่อแม่สอนลูกเอยโกรธที่น้องต่ตีน้องแม่ขั้วมือไว้ก็บอกอ ไ, ไม่โกรดน้องไม่รู้อะไรแก็หายโกรธได้ ก็มีผู้บอกมีผู้สอนถึนโทษของขวางโกดถึงคนของขวางไม่โกดแต่ถ้าคนนั้บอกมันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเราจะมามีสติดูแลตัวเองนี่นอกจากทวานที่เกี่ยวข้องกับโลกโลกมีลกมีกมจิ่มีเสียงที่ทำใหก่อเกิดปัญหาขึ้นเจอตัวเราแล้ว กับคนอื่นจึงเกินวัตถุอื่นมันก็มีภัยในตัวมันเองรูปนี่นามในตัวไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความมาช่วโตัวตวนหมายก็ว่าความแก่ความเก็บความตายมีแน่นอนจึงต้องเป็นทุรลที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ได้ มีผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ได้แล้วคือพระพุทธเจ้าเราพ่อทอหารนิพพานกันจํจำนวงมากเวลาหวั่นแฉก็หวั่นแฉได้หวั่นเ จ, เจนเ็บก็ไม่เจ็บได้หวันตายค้นจากความตายได้โดยการฝึกหัดกายใจของเรามีสติวิชากรรมฐาน เราก็ยังสอนกันอยู่นี่ไม่มีวิชาไหนที่จะบอกตรงนี้ได้นอกจกากกรรมฐานเท่านั้นเป็นที่ตั้งการกระทำลี้คิดชีวิตของเราไปเองสู่ความไม่เจ็ไม่เ จ, ไเจ็ไม่ตายก็เห็นอยู่นี่แต่ไม่อยู่ในำนาาของใครเราจะเกี่ยวข้องมันอย่างไร เ้าก็เลยยินได้ฟังได้สาเสพระสูตรว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกมันก็มีอยู่ในเราในขันหรือรูปนี่มีอยู่จริงเวทนาก็มีอยู่จริงสัญญาก็มีจริงสังขารก็มีจริงวิญญาณก็มีจริงแต่รูปคือเป็นรุ้นบ็นก้อนสัมผัดได้เวทนาก็เจ็บปวดได้สัมผัสได้ สัญญากับบันเทิกจิตจําบันเทิกเปิดเพื่อนเลยอะไรว่างเอาจะลิดนีด้เฉยแบบไหนสังขางกับปวงแต่งเรื่องเก่าคิดเล่าคิดเดีย๋ยวสูดเล้วชูหยิบทุกเล้าทุกหยิมมีไหมวิญญาณก็บไปติดตะเมอไปติดไปเปิดไปเพื่อนอามาวิญญาณคือไปติดไปย่อมอะไรมาต่างวิญญาณติดอะไรมาย่อมอะไรมา วิญญาณนี่สำคัญวิญญาณความเป็นเปิดก็มีนะวิญญาณความเป็นจุลกาย ว, ญญานนากวิญญาณของเป็นสันนิลบวิญญาณเขาเป็นสัตว์ที่รฉันอะไเกิดขึ้นมาด้วยเกิดทั้งตาทั้งหูงูงูก็ เ, เลยไม่รู้จักแค่ขยิบจริงที่ร่าเป็นดีได้เริ้มโกดก็เป็นของโกด อย่างนี้แน่นอนไปจู่วิญญาณในความเป็นเดราาัจฉานมนุษย์เขาต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องดี้หมันวิญญาณมันพัฒนาแล้วมันมีจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจิตวิญญาณมันไปไม่พัฒนาก็้วอื่นก็เสียหายไปหมดเลยผิดไปหมดเลยแล้วก็มีมากย่มีอยู่ขันมีอยู่ ขันคือเป็นกองอยู่ในรูปนี่นามนี่รูปคือเป็นดุ่นเหมือนก้อนเป็นวัตถุอันหนึ่งเหมือนกระแผ่นดินแล้วมีอาการอยู่ที่รูปเหมือนภูเขาแม่น้ำป่าไม้ฉสาดละเจงแล้วมันก็เชื่อมได้ทั ขันนี่มันเป็นกองอยู่นในลูกในนามนี่เราไม่รู้นึกเอาไปเอาขันว่าเป็นตัวเป็นตนลูกมันก็ไม่ใช่ตัวตนอันที่เป็นเวทนานั่นมันสุกันทุนนั่นมันก็มาใช่ตัวตนที่เป็นสังขารความจดความจำความติดเลยมาก็ไม่ใช่ตัวตน มันเป็นสัญญาที่มันจำอะไรมาไม่ใช่ตัวตนเป็นวิญญาณที่มันติดอะไรมานั่นไม่ใช่ตัวตนถ้าเราระยืดเอานี้ก็แน่นอนคือแกเจ็บตายวิชากรราฐานก็มาลู้เรื่องนี้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้โชว์ให้เห็นมันโชว ขมาให้เห็นปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีสติจะต้องเห็นจิตเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนโดยลูหรือจึกษาได้ถลุงได้ย่อยทําให้หลุดถ้าไม่พ้นไปได้นี่คือถ้าไม่มีเรื่องนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีอุปทานนขันนี่มันก็ไม่มีความเจ็บความเจ็บความตาย ถ้ามีอุปทานวก็ตายเจ็บเจ็บตายแน่นอนตายเพราะขันเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นขันมันเป็นดินน้ำลมไฟมันก็ไปจู ด, ดินดินก็ไปจูดินน้าก็จูน้าขันมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นอนีจ มันเป็นพวามไม่เที่ยงลูกไม่เที่ยงไอ้ธนาไม่เที่ยงฉันอย่ญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นมันบอกอยู่แล้วพุทธเจ้าเห็นเรื่องนี้บอกไปเลยเด็ดขาดไปเลยเมื่อรอยขานเกิดขึ้นไม่เที่ยงแน่นอนขี้หน้ามันเลยขีหน้ามันยกขึ้นมาทันทียกขึ้นเฉียงทันที มันใจขนาดไหนชี้ลงไปมันไม่เที่ยงหอกโกรธมันก็ไม่เที่ยงหรอทุก้มันก็ไม่เที่ยงตัวอะไรเกิดขึ้นไม่ไม่เที่ยงอกไม่ใช่ตัวตนไม่ขวนยึดว่าถือถือว่าไม่ขวน <c oughs> สําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตน <c oughs> อย่างที่เราสาธยายไปสูตนให้มันหลงถึงใจว่างแต่ว่าจะปาก ปฏิบัติธรรเราก็รู้เรื่องนี้เห็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวขอ้อกับเรื่องนี้นิจติเห็นกายสักตธว่าเห็นขนัเนเห็นเวทนาสักตธว่าเห็นสัญญาสักตธว่าเห็นสังขารสักตธว่าเห็นวิญญาณสักตธว่าหมดไปแล้วผ่านไปแล้ว ถ้าอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์สุขคือเราทุกข์คือเราโกดคือเราหลงคือเราผิดคือเราถูกคือเราอันนั้นก็ไปไม่ได้เป็นวัตถะถ้าเป็นเราเป็นวัตถะวนเวียนอยู่ที่นั่นท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นวัตถะสงสาร มีกิเลสกรรมวิบากอยู่ตรงนั้นหนโหนลอกอยู่เหมือนทำไว้เป็นรูกเรื่องนี้ไวมีหมูมีงูมีไก่ไก่ข้าบหางหมูหมูข้าบหางงูงูข้าบหางไก่ไก่ข้าบหาง งูงูคาบหางหมูอทำไมาได้ถัดทีอย่างนี่มันมันคาบหางกันวั่รั้วในต้นเหียอยู่ที่ไหนงูก้คาบหางงูงูคาบหงางไก่ไก่คาบหางหมูงูคาบมูคาบหางงูต้นเหยียอยู่ที่ไหนวัดจัดตัวนี้มีพระที่เจ้าท่านที่เห็นเรื่องนี้ เปรียบเทียบกับเพื่ออะไรกรรมวิเลดวิบากเป็นมโมตตาตรงสารของสัตว์โลกตัดกรรมวิชากรรมฐานในตัดกรรมเป็นการตัดกรรมตัดเวรกรรมไปอยู่ที่อะไรเป็นกรรมโยรรมบาสัตสานอย่างนี้วิเลดกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบากกรรมเป็นตัวหลักกิเลสเกิดจากการกระทำวิบากก็ติดการกระทําำในความคิดว่าในกายว่างติดอะไรวป็กิเลสแบบไหนเป็นกิเลสกรรมวิบากตัดลู่ลู่ขึ้นมาลู่จุดตัวขึ้นมาลู่จุดตัวขึ้นมาตัดได้ตัดเว้นตัดกรรมเวลาเราปฏิบัติ นออย่างที่ทํำมาเราสมนําหน้ามันเกิดจากความคิดได้เปลี่ยนเป็นความรู้เปิดความทุกข์ได้เปลี่ยนเป็นความรู้เปิดความสุขได้เปลี่ยนเป็นความรู้เปิดความฟุ้ง่านได้เปลี่ยนเปความู้เปิดควมสงบได้เปลี่ยนเป็นความรู้นี่ลงที่ตัวนี้เรียกว่าปฏิปฏิบัติธรรมคือโต้ตอบทอกต้วง ไปไม่ได้วัตตาเป็นประมาณตัดลงหัวนขอบกว่าดง้งตัดออกมันก็เบนแล้วไม่กิ้ง <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนมันกิ้งจนเฉดเวียงทิ้งไปก็จิ้งไปหรือเหมือนดินเหนียวทิ้งใส่ฟาผนังทิ้งใส่ฝาผนังดินก็ติดฝาผนัง ติถ้าเป็นก้อนกวดทิ้งใสยียฝาผนังมันก็ตกลงที่นั่นไม่มีลอยแต่เป็นดินเหนียวก็มีลอยเพื่อนสุกก็ไปเพื่อนแล้วสุกเป็นสุกเพื่อนแล้วทุกข์เป็นทุกข์เพื่อนแล้วดีใจพอใจเสียใจเพื่อนแล้วต้าเห็นอย่านี่ถ้าเห็นสักแต่ว่าตกลงมาตกลงมาตกลงมาต่ เรเป็นการซักฟอกเสื้อผ้าก็มีถังสะอาดขึ้นได้ขูดเก่าลงไปขูดเก่าลงไ ป, ไปเทออกลูกขึ้นมาเหมือนกับล้างออกเหมืกับขูดออกบางทีก็มีมันหนามาขูดหลายทีแล้วมันหนานีดอ่ะก็โ ก, กดเบาๆทีเดียวก็หมดไป หลังอย่างไม่ได้ขูดมันเห็นแล้วนี่มักระทบเรื่องนั้นไปหลุดไปหลุดไปหลุดไปแต่เรื่งนี่เรื่องเดี๋ยวหลุดไปอีกหลายๆายอย่างก็มีนี่วิธีปฏิบัติเราต้องขวนขวยพอสมควรดูแลตัวเองการดูแลเรื่องนี้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย สนุกดีสนุกเปลี่ยนความลายเป็นความดีที่เกิดกับปากกับใจนี่เป็นงานชอบที่สุดเลยนี่คืองานชอบเปิดมเมื่อเกิดผลได้เราไม่ขวรประมาณเตรียมใจโบราณท่านว่าเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้าก่อนแรง เรียนบ้าก่อเดินเรียมกายอะไรที่มงามขี้กายรู้จักอ่อนร่อนถอนตนสพากาละวะอะไรที่เป็นความงามของใจก็คือนี่กรรมฐานนี่เกิดความงามของจิตใจรู้เป็นจิตประดับคิดใจอะไรเกิดขึ้นกับรู้ มีสติมีปัญญามีศีลปีสมาธิเป็นเครื่องเฉียมใจก่อนตายเตรียมไว้ให้เห็นให้รู้ให้รู้เห็นหมดเห็นลูกนามเห็นขันหน้าเห็นควมไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนทำงานไว้หมดแล้วตอบได้หมดแล้วตอบงา น, านหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้ว เรื่องความไม่เที่ยงตอบได้แล้ ว, ลวจริงที่มันเกิดเมื่อไหรก็ชี้หน้าลงไปนี่ความไม่เที่ยงมันเกิดความทุกข์ที่้วก็ชี้หน้าเมื่อไรมันไม่เที่ยงง่ายๆมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เครี่ยงเกา่าเหมือนกับชํานาญทางผ่านทางผ่านอยู่สะดวกสะดวกสะดวกเรื่องนี้จะสะดวกเรื่องที่ เป็นครูเะมันก็เป็นมิตรภาพของชีวิตมันไม่กระทบกระเทือนเหมือนกับทางไม่ดีเราเล่รนรถก็กระโดกกระเดกมันไม่นลาบเรียบสุกเป็นสุก็เป็นขึ้นแต่ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงอะไต่างๆเหมือนกับกระตกกระตักลู่เธอลู่เธอลู่เรียบมิตรภาพของชีวิตเหมือนกับมิตรภาพของ แน้นทางทําไมาเกิดมิตรภาพได้ที่สูงก็จอดลงที่ร่วงก็ทำท่อระบายสะพานข้ามอามไหลผ่านหลุดไปเห็นแล้วมันก็หลุดไปแล้วนี่ควางไม่เที่ยงเห็นแล้วจะไปขวางกันไม่ได้ควางไม่ทุกเห็นแล้วปล่อยมันไปนเหมือนเหือนทางผ่านมส่ะผานข้ามน้ํา มันก็เป็นมิตรภาพมันก็ลาบกาบรลาบเรียบของชีวิตเรียกว่าศาสนาพระศีอยไ์ได้เมตไตก็ได้อยู่ที่การปฏิบัติ ต, ต่อจากพระพุทธเจ้านี่ไปสมณโคโดงกุกูสันโธกุณาโคโนโกาจโปโภตโมเนี่ยองค์ที่สี่กุสันโธอง์ที่หนึ่ง กุกสัญโตโกนาคมโนองค์ที่สองกัจจปูองค์ที่สามโคตโมองค์ที่สี่องค์ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้มีธรรมปฏิบัติธรรมตามองค์พระสมโคตโมนี้ถึงพระศรีเมตโตพระศรีอริยเมตโยไม่มีโอตัยที่จะต้องถึงศรีรษะไมตไยได้ องค์ที่ห้าได้ต้องจากสำนักโคดมนี่แ <c oughs> ต่ที่บัดทำทำที่สำนาโครมสังสอนเดี่ยถึงพระศรีอรเมตตายไม่ต้องตายไปชาติไหนชาติไหนชาติไหนเดี๋ยวนี้เขาว่าผลนดินจะแตกโลกจะแตกคนมีถามหลวงพ่อหลวงว่าอดีเหมือนกันโลกแตกตั้งแต่วันที่ยี่บสองไปจะเกิดพระศรีอเมตัย ถ้าไม่โกรธไม่ทุกข์อยู่แล้วความทุกข์ควโกรธหมดไปแล้วความโลภของลงหมดแล้วจากลูกนี่เป็นภาษีอะไรไม่ไถ่เกิดขึ้นอวดขึ้นมาแล้วจากวันที่ยี่สิบสองไปแต่มันตายไปก็เกิดเป็นวาสนาใหม่ไม่มีอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราเตรียมหม้แล้วอโลกแตกเราเตรียมหล้นเตรียมคือนกาาลัวตายเราไม่กลัวตายไม่มีอะไรจะตาก ไม่มีอะไรจะตายมีแต่ขันมีแต่ขันที่มันแตกกระยูกกระจาดไปดินก็ต้องเป็นดินน้ําตรงน้ํำไบต้องเป็นใบลมต้องเป็นล ม, ล ม, ลมขันทาดสีขันหน้าไม่มีอะไรตายเพราะมันเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วมันจึงเหนือก้อนแขกก้อนเจ็บก้นตาย ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เรียนรู้ฝึกเอาฝึกตนสอ น, อนตอนช่วยไขยตนเตือนตอนให้มีสตินี่แล้วก็มีโอกาสพิสูตร์ลองดูมีสติต่อเนื่องพิสูตร์ลองดูสงวนเด็ดวน เดือน 7, เจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีก็อยู่นี่ก็อยู่ได้ก็ อ, อยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีแล้วก็อยู่ได้อย่างนี้ไม่ตายไม่ตายไม่ถึงเจ็ดปีหรอกสี่สิบกว่าปีแล้วเกินสี่ปีแล้วสี่ิบกว่าปีแล้วไม่ตายถ้าเกิดพิสูจน์ลองนี้ขอเสนอที่นี่ลองดูเร อ, อยู่กันได้ ศึกษาลองดูชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ของติงติงกว้างกว ง, ง, งมีค่าไม่ใช่ประลาใช่อะไรที่จนสุดเสียบหมดไปกับการับใช้โลกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากรูปจนนาที่มันเป็นมาเป็นผลสร้างไม่ได้แต่สร้างอันเดินสร้างอื่นก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ มีอะไรที่เป็นของของเราเราก็ไม่เป็นใหญ่สิ่งที่เราซุ่มทีแต่เรามีอะไรแล้วก็ไม่เป็นใหญ่ในจิงนั่นได้เราจะเป็นใหญ่ในกายในใจนี้ใช้กายใช้ใจสำเร็จประโยชน์มันรู้ถึกว่ามัน เ ม, มื่อไหรคิดดูที่เห็นดูที่เหล่าที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยนพ่อแม่ที่ช่วยเราเป็นดินดากาศบางทีก็มีการกระทำทำไมทุกเป็นโทษเจอสิ่งวัตถุอื่นนี่มันเช็ดลาบจริงๆทำความดีเท่าไหร่ก็ไม่พอวิชากรรมฐานเท่านั้นที่จะเป็นความดีที่มันจะใช่นี่ มันจริงมีกลุ่มผูมมจอยที่เราได้ทำอะไรผิดขัดลงไปตรวจน้ำก็ไม่ถึงจัดทั้งรักทีคู่เห็นกันก็ดีที่เห็นแล้วที่ไม่ได้เห็นก็ดีมีขันหน้าขันมีขันฉีขันมีขันทัดเดียวกํลังท่องเที่ยวอยู่ในวัดต่อสงสารนี่ คอยได้มีเว้นก็ไปจบทุกเมือ่อจนถึงบวชอังกระเรเกา่าคือพระนิา่านความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านอนจงสำเร็จเถิดต้อมใจยู <c oughs> น้ำใจดวมีคนพ่อคนแม่ใจนี้ขอทำความดีขอทำควา ม, ด, ามดีกับโลกนี้ขอบอกความผิดขอบอกความถูกแก่คนในโลก Gen, together, ความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริงความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธเหมือนจริงความหลงไม่จริงความไม่หลงเหมือนจริงเปลี่ยนให้เปลี่ยนเราเองถ้าไม่มีถ้าไม่เปลี่ยนเองไม่มีใครเปลี่ยนให้ได้แล้วตัวใครตัวมือนเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นต่าเพียงผู้บอก ส่วิธีการกระทำเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายผู้เจ้าบอกอย่างนี้หลงเองต้องเปลี่ยนหลงรู้ทุกเองก็ต้องเปลี่ยนรู้โกรธเองต้องเปลี่ยนโตดมีแต่ทุกต้นนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกต้นนั้นดับไปบางคนบอกว่าไม่เห็นมีทุกที่ไหนไม่เห็นมีทุกที่ไหน เงินก็มีงานก็ดีญาติพี่ก็ดีว่าทุกมันไม่เคยมีที่ไหนมีคนพูดก็สอนทรมที่หัวใจนี่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพูดว่าาบอกว่าหนูไม่ไม่เคยเห็นทุกที่ไหน เงินก็มีงานก็ดีญาติพี่น้องก็ดีอาหารการกินก็ดีดีๆไม่เห็นทุกข์ที่ไหนเอาอันั่นมาอ้างเลยเงินเดิมมาทาไมไม่ทุกข์งานหรือทําไมไม่ทุกข์ญาติพี่น้องทําไมไม่ทุกข์หรออาหารการกิ น, นทําไมไม่ทุกข์หรอเออใช่อันนั้นมาเป็นความไม่ทุกข์หรือ จริงๆมันมีอยู่ที่ตัวเรานี่มันไมใช่ไป อ, อิงะมิตรความทุกข์ความสุขที่อิงะมิตรนั่นนหะตัวการมันใหญ่บัดภาคจากของลัอของชอบจอยเป็นทุกข์ผมไม่สบายกายผมไม่สบายใจเป็นทุกข์วาตนาจิงใดผู้ได้ชิงนั่นก็เป็นทุกข์ มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนงานเงินอาหารญาติญาติดีก็ยิ่งจะทุกข์โดยญาติพัดภาคจาของรักของชอบจาจก็ยิ่งจะทุกข์น ะ, ะเจ็บไค้ได้ป่ย ว, วยล้มไป้ล้ชงิดกังวลเรื่องงานเสียดายกังวลอทุกข์มากมีความรัก ก็จะเป็นทุกข์มากคู่ความล้อในครามสุขก็จะทุกข์มากคู่ความสุขความสุกเป็นทุกข์กับความทุกข์เอาเงินมาเป็นเรื่องสุขเอางานมาเป็นเรื่องสุขเอาอาหารมาเป็นเรื่องสุขเอาญาติพี่น้องมาเป็นเรื่องสุขน่าพัดภาคจากของเหล่านี้ไปก็นั้นลนะ่ะน่าพัดภาคจากของล้อของชอบใจก็เป็นทุกข์ อย่างนั้นเราต้องเห็นเรื่องนี้อย่าไปทุ่มเทมีสติดูให้เห็นให้เข้าใจมีมีให้เป็นยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกยอมจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิธียามจะตายตายให้เป็นอย่างนี้จริงๆเลยว่าถึงจุดหมายปลายทางได้